ประวัติพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตฉบับสมบูรณ์ภาคประวัติหลักตอนที่สามร่วมจัดทำรรโดยครอบครัวทรงพลรฤกษชาติวิเศษหอมบุญจันโพคาพานิชฐ์นภัทรทองผู้เบตในการผ่องใสแห่งจิตที่ได้รับในถ้าสาวิกาจังหวัดนครนายกของท่านพระอาจารย์มั่นจึงเป็นที่พอใจของท่าน ที่ได้เข้าถึงธรรมะละเอียดทั้งฌานทั้งญาณทำให้ท่านแน่ใจถึงความรู้ของท่านอย่างแท้จริงครั้นท่านได้พักบาเพ็ญสมณธรรมอยู่ณที่นี้จวบใกล้จะเข้าพรรษาแล้วท่านจึงได้ออกเดินทุดงต่อไปผ่านจังหวัดสระบุรีได้ไปถึงจังหวัดลบบุรีและได้พักอยู่ที่ถ้ำสิงโตเขาช่องลมปัจจุบันนี้เรียกเขาพระงามปีนั้นเป็นปีพุทธศักราชสองสสี่ห ขณะที่ท่านพระอาจารย์มั่นไปพักอยู่สถานที่นั้นเป็นที่สงบสงัดเงียบยิ่งนักท่านได้พักเพื่อบําเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่นั่นหลายวันและในขณะที่ท่านอยู่นักเขาช่องลมนั้นท่านบําเพ็ญความเพียรวนระลึกถึงความเป็นจริงเป็นจริงที่ท่านได้ปรากฏแล้วให้แจ่มแจ้งยิ่งขึ้นท่านได้ระลึกว่าสาวกของพระพุทธเจ้าจะต้องถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นมูลเหตุ ถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับและถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่อาศัยโดยในยน่านี้ท่านก็ได้รู้ขึ้นภายในสมาธิคําว่าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นมูลเหตุนั้นได้แก่การที่จะปฏิบัติให้เป็นไปเพื่อความถูกต้องหรือต้องการความจริงแท้ต้องดูความจริงอันเป็นมูลเหตุที่ทาให้พระพุทธองค์ได้ออกบ ร, รพชาในเบื้องต้น ซึ่งพระองค์ได้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างนับตั้งแต่ราชบัลลังก์พระมเหสีราชสมบัติแม้ที่สุดพระเกศาการเสียสละเช่นความสุขอันเป็นไปด้วยราชสมบัตินั้นพระพุทธองค์มีผู้คนคอยยกย่องสรรเสริญคอยปฏิบัติวัตถากแล้วได้เสียสละมานอนกับดินกินกับหญ้าใต้โคนต้นไม้ถึงกับอดอาหารเป็นต้น การเสียสละเหล่านี้เพื่อประโยชน์อะไรเพื่อให้ถึงซึ่งวิโมกขธรรมคือธรรมะเป็นเครื่องหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายและเมื่อพระองค์จะได้ตรัสรู้ก็ทรงนั่งสมาธิใต้ร่มไม้อันเป็นสถานที่สงบสงัดและได้ทรงพิจารณาซึ่งความจริงคืออริยสัจ ส, สี่นั้นนี้เป็นมูลเหตุอันเป็นเบื้องแรกของพระองค์สาวก ผู้ที่จะเจริญตามรอยพระยุคลบาทนั้นจำเป็นที่จะต้องระลึกถึงความเป็นจริงของพระพุทธองค์ในข้อนี้นำมาเป็นสิ่งพิสูจน์ปฏิปทาของตนที่กําลังดำเนินอยู่ว่าในการปฏิบัติหรือการบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาพวกเราได้พากันถือเอาต้นเหตุให้พึงระลึกถึงความจริงของตนที่ว่าได้เสียสละโดยความเป็นจริงหรือไม่ เพราะถ้าไม่ถือเอาความจริงตามปฏิปทาของพระพุทธองค์ในข้อนี้ก็จะเรียกได้ว่าไม่ถือเอาพระองค์เป็นมูลเหตุคือบางหมู่บางเหล่าถือการปฏิบัติเพียงแต่เป็นโล่บางหน้าแล้วก็มีเบื้องหลังที่ไม่มีการเสียสละหรือทําไปยังมีการยุ่งยากผัวพันจะสละก็สละไม่จริงซึ่งบางทีแม้แต่เป็นบนรพชิตแล้วก็ยังมีจิตใจโลภโมโทสัน ไม่สละแม้แต่อารมณ์ยังจะถือว่าข้าพเจ้ามียศถาบรรดาศักดิ์อะไรเทือกนั้นบางที่การอยู่ป่าเอามาเพียงเพื่อเป็นเล่ห์บางประการทำเป็นว่าเรานี้อยู่ป่าอยู่เขาเหมือนจะออกวิเวกให้เป็นที่บำเพ็ญความสงบแต่กลับเป็นผู้เพียรพร้อมด้วยความห่วงใยอะไรยุ่งยากด้วยการก่อสร้างสะสมด้วยเครื่องกังวล น, นานับประการนี่ไม่ได้ถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นมูลเหตุ ขณะที่ท่านอาจารย์มันกําลังเกิดความสว่างผ่องใสอันเป็นภายในนั้นท่านพยายามพิจารณาหาความจริงเพื่อเป็นแนวทางในอันที่จะปฏิบัติตัวของท่านให้ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมที่แท้จริงและจะได้แนะนำให้คนอื่นทำให้ถูกทางต่อไปท่านจึงได้พิจารณาต่อไปถึงคำว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าให้เอาเราเป็นเนติแบบฉบับ ท่านได้คำนึงว่าพระพุทธองค์ได้ทรงปฏิบัติตัวของพระองค์ให้เป็นแบบอย่างจริงๆมิใช่เพียงทรงสอนคนอื่นและพระองค์ไม่ทรงปฏิบัติเช่นตอนแรกหลังจากตรัสรู้แล้วจะทรงรับข้าวมาถูก ป, ปายาดจากตะปุสะและพันศิลกะก็ทรงหาบาทเพื่อรับและพระองค์ก็ทรงทำพุทธกิจบุพันเหบินดบาบานจัก รุ่งเช้าพระองค์เสด็จไปบินธบาตสายันเหธรรมเทสนังตอนบ่ายพระองค์ทรงแสดงธรรมโปรดพุทธบริษัทคืออุบาสกอุบาสิ ก, กาปโทเสภิกุโอวาทางังพอพลบค่ำพระองค์ก็ทรงประทานโอวาทแก่พระภิกษุและสามเณรอัทรัตเตเทวปัญหาหนังตอนกลางคืน ทรงแก้ปัญหาให้เทวดาทั้งหลายปัจจุเสวะคะเตกาเลพภพาภพเพวิโลกานังในเวลาใกล้รุ่งพระพุทธองค์ก็ทรงตรวจดูว่าสัตว์โลกจะมีผู้ใดบ้างที่มีวาสนาบารมีอันจะพึงได้รับพระธรรมเทศนาพระองค์ทรงใคร่ครวนแล้วทรงทราบว่าก็จะเสด็จไปโปรดให้เขาเหล่านั้นได้รับผลแห่งธรรมะ นอกจากนั้นพระองค์จะทรงปฏิบัติตามธรรมวินัยที่พระองค์ทรงบัญญัติเช่นการทรงจีวรการชันเฉพาะในบาศแม้กระทั่งจูนจะเสด็จดับคันธัปรินิพานพระองค์ก็ยังทรงอุ้มบาศได้ตลอดเวลานับแต่วันที่พระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์จะทรงเปลี่ยมพระทัยถึงความมีพระเมตตาต่อมนุษย์ทุกท่วนหน้าไม่เลือกชั้นวันนะทรงกระทำประโยชน์ให้แก่เขาทั้งหลาย โดยมิได้คิดเพื่อจะเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเครื่องตอบแทนเลยส่งเสียสละอย่างจริงใจแท้แม้บางครั้งพระองค์จะทรงเหน็ดเหนื่อยด้วยการบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นอย่างหนักแต่พระองค์ก็ทรงกระทาอย่างที่ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย น, นั้นแต่ประการใดท่านอาจารย์มั่นท่านได้พิจารณาถึงเนตีแบบฉบับ รำพึงถึงความจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นแล้วก็ได้คำหนึ่งต่อไปอีกการที่ให้ถือเอาพระพุทธองค์เป็นแบบฉบับนี้ย่อมเป็นประการสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้าสาวกไม่ถือเอาพระพุทธองค์เป็นแบบอย่างแล้วจะเป็นเพียงอาศัยการอยู่ในพุทธศาสนาเพียงเพื่อหาความสุขอันไม่ถูกทางเช่นไม่มีเมตตากรุณา ไม่มีการเสียสละแม้แต่จะปฏิบัติธรรมวินนยถึงจะเป็นบนรรพชิตแล้วก็ยังไม่ยอมเสียสละเอาแต่ความโลภความโกรธความหลงเอาแต่ความเพลิดเพลินในการมาคุณหาอุบายวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งความโลภโกรธหลงแม้แต่การเที่ยวไปบินทบาตก็หาว่าเสียเกียรติหรือว่าการแสดงธรรมก็ต้องมีการเทศเป็นเครื่องตอบแทน จะบำเพญ็ญศาสนากิจก็ต้องหวังปัจจัยลาบในที่สุดก็ลืมความเป็นสมณะเสียสิน้นนี่คือไม่ถือเอาพระพุทธองค์เป็นเนติแบบฉบับท่านอาจารย์มัน่นพยายามใคร่ครวญในข้อนี้มากที่สุดเพราะท่านมาทราบแน่แท้แก่ใจแล้วว่าการบำเพ็ญกรรมฐานในสมัยนั้นได้เสื่อมลงมาก ไม่ใครจะตรงความจริงทั้งภายในทั้งภายนอกท่านมาคำนึงว่าการปฏิบัติจิตนี้จะต้องประกอบพร้อมทั้งภายในภายนอกเช่นภายนอกการรักษาไว้ซึ่งพระวินัยน้อยใหญ่นี้สำคัญยิ่งถ้าผิดพระวินยัยแม้แต่อาบาบนิดเดียวก็จะทำให้จิตละเอียดไม่ได้เช่นการปฏิบัติเรื่องของบาศ ถ้าล้างแล้วไม่เช็ดเก็บไว้ในที่สมควรก็จะเป็นอาบาดทุกกฎหรือการฉันจุบจุจั บ, จ, บจับเป็นอาบาดทุกกฎอาบาดเล็กน้อยจะล่วงละเมิดไปไม่ได้เลยต้องรักษาให้เรียบร้อยจริงๆนอกจากอาบาดแล้วก็มีการรักษาทุดงข้อวัดต่างต่างเช่นฉันหนเดียวการฉันในบาทการบินทบาทเป็นต้น มันเป็นการนำไปสู่การขัดเกลากิเลสหยาบๆนั้นท่านอาจารย์มั่นท่านพิจารณาว่าก็เป็นแบบฉบับที่พระบรมศาสดาได้กระทําเป็นแบบฉบับมาแล้วถ้าหากว่าผู้ต้องการความสงบความก้าวหน้าแห่งการบําเพ็ญจิตแล้วจะละเลยเสียไม่ได้และอีกประการคือรักษาวัดต่างๆ วัดในที่นี้สะกดด้วยวอแหวนไม่หันอากาศต่อเต่ารอเรือนะครับและอีกประการคือรักษาวัดต่างๆจากวัดหลายประการเช่นอุปชัยวัดอาจาริยวัดอาคันตุกาวัดเวจกุตาวัดเสนาสนาวัดพัตตาวัดและเสขียาวัดเหล่านี้นั้นย่อมเป็นปัจจัยแก่การปฏิบัติจิตทั้งนั้นซึ่งถือเป็นการปฏิบัติเพื่อศีลวิสุทธ และจิตวิสุทธิ์ท่านอาจารย์มันท่านปรารบในใจของท่านว่าบุคคลผู้เป็นสาวกของพระพุทธองค์นี้ถ้าไม่ถือเอาพระพุทธองค์เป็นแบบฉบับแล้วจะไม่สามารถนำหมู่คณะไปสู่ความเจริญได้เพราะพระพุทธองค์ได้ทรงเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ทิ้งความจริงอันเป็นแบบฉบับที่ดีไว้แล้วเพื่อให้สาวกทั้งหลายได้เอาเป็นตัวอย่าง และตัวอย่างอันนี้ได้รับความเจริญยั่งยืนนานมาแล้วเพราะเหตุแห่งแบบอย่างที่พระพุทธองค์ได้ทรงบำเพ็ญมันนั่นเองที่ทำให้พระพุทธศาสนามั่นคงถาวรเจริญมาแล้วการนำเอาพระพุทธองค์เป็นเนติแบบฉบับจึงเป็นการนำความเจริญได้แน่แท้แก่ตนและบุคคลอื่น ท่านได้คำนึงถึงข้อต่อไปที่พระพุทธองค์ตรัสว่าให้เอาเราเป็นที่พึ่งอาศัยคือว่าผู้ที่เป็นพุทธบริษัทนั้นควรจะได้รู้ข้อเท็จจริงในที่พึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงว่ามนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมากถูกภัยคุกคามแล้วพากันไปถือภูเขาป่าอารามและต้นไม้ที่เป็นเจดีย์ว่าเป็นที่พึ่ง นั้นไม่ใช่ที่พึ่งอันกเกษมนั้นไม่ใช่ที่พึ่งอันอุดมพวกเขาพากันพึ่งสิ่งเหล่านี้แล้วยอมไม่พ้นจากทุกทั้งปวงไปได้ส่วนผู้ใดมาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งมาเห็นอริยสัจสี่ด้วยปัญญาอันชอบก้าวลวงทุกข์ด้วยมักปดนี่หละเป็นที่พึ่งอันกเกษมนี่หละเป็นที่พึ่งอันอุดม พวกเขาอาศัยที่พึ่งนี้ยอมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้การที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไม่ให้ถือเอาสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เพราะว่าการถือเอาสิ่งอื่นมาเป็นที่พึ่งนั้นเป็นเรื่องงมงายเช่นต้นไม้ใหญ่ตั้งสาลพระภูมิถือผีเจ้าเข้ารงเหล่านี้นั้นเป็นเรื่องของความไม่แน่ใจในพระองค์ ซึ่งท่านอาจารย์มั่นท่านได้พิจารณาเห็นว่าการเชื่อเช่นนั้นจะทำให้ผิดการดำเนินสู่จุดที่หมายแห่งความจริงในพระพุทธศาสนาแม้ในการบำเพ็ญจิตในเบื้องต้นก็จะทำให้ไข้เขวเพราะขาดองคุณหรือศรัทธาคนธรรมดาสามัญที่ยังไม่ได้บวชก็พอทาเนาแต่ผู้ที่บวชแล้วเช่นพระภิกษุสง์นี้ ย่อมจะต้องแสดงออกถึงความเชื่อมั่นในพระพุทธองค์จึงได้เข้ามาบรัญชาอุปสมบทแต่พระภิกษุสงฆ์บางองค์กลับมาเป็นเสเองเช่นพาเข้าตั้งศาลพระภูมิหาวันตั้งศาลพระภูมินี้เป็นการแสดงถึงความไม่แน่ใจของท่านต่อองค์พระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมศาสดาของท่านเองท่านเหล่านั้นหาได้คิดไม่ว่า การกระทำเช่นนั้นคือการทรยศอาศัยผากาสาวพัดโดยการอยู่ได้ด้วยปัจจัยบริโภคไม่อดอยากปากแห้งแต่กลับถือเอาศาสนากร้ามคฤที่พระพุทธองค์ได้ทรงตาหนิแล้วนำเอามาใช้ทั้งๆที่ตนเองก็ออกปากว่าข้าพระเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตแต่เหตุไฉนเล่าจึงไปสนับสนุนการนับถือศาสนาอื่น อันที่เรียกว่าพระภูมิบ้างอะไรอื่นบ้างนั่นคือการทรยศต่อพระพุทธศาสนาท่านอาจารย์มั่นท่านว่าข้อนี้สําคัญเพราะจะเป็นเบื้องต้นของการดําเนินไปหาที่สุดแห่งทุกเพราะทุกๆคนที่เป็นศาสนิกต้องกล่าวว่าข้าพเจ้าถึงซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแต่เขาจะไหนจึงไปถือเอาผีป่าพระภูมิ ซึ่งมันหาตัวจริงไม่ได้เป็นที่พึ่งเมื่อคันต้นทําไม่ได้แล้วต่อไปจะทำอะไรให้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปกว่านั้นได้เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอาศัยทั้งฝ่ายพระสงฆ์นั้นก็ถือว่าเป็นผู้มีความเชื่อมั่นใจในพระพุทธองค์อย่างแน่นแฟ้นแล้วจึงได้ยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง ออกจากความเป็นคารวาทมาทรงไว้ซึ่งภากาสาวพัดจึงต้องเป็นผู้ไม่ทรยศ ต, ต่อองค์พระบรมศาสดาท่านอาจารย์มั่นท่านว่าคำว่าศรัทธาคือความเชื่อนี้จึงถือว่าเป็นรากฐานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและเช่นท่านพระอริยบุคคลชั้นต้นคือพระโสดาบันท่านเป็นผู้เพียรพร้อมด้วยศรัทธามีข้ออันท่านพระโสดาบันละได อันเนื่องมาจากมรคนั้นมีสามประการคือสักยะทิฏฐิความเห็นถือว่าเป็นตัวตนวิจิกิจชาความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศิลป ะ, ะตะปรามาดความลูกคลำในศินพรดคืองมงายในสิ่งไม่ควรจะยึดถือเช่นนับถือพูดผีพระภูมิเป็นต้นนี่เป็นสิ่งแสดงว่า การจะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้อย่างแท้จริงนั้นต้องเริ่มต้นด้วยถือเอาพระพุทธองค์เป็นที่พึ่งความจริงแล้วการนับถือพระพุทธองค์นั้นก็คือต้องการให้เอาพระพุทธองค์เป็นมูลเหตุและเป็นแบบฉบับนั่นเองแม้ว่าเราจะยังไม่เป็นอริยโสดาก็ตามแต่เราก็ต้องปฏิบัติเพื่อความเป็นอริยโสดาเป็นต้น ความที่เป็นบุคคลอ้างตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาพระภิกษุสัมเนนแต่พากลหลงเชื่องมง่ายเช่นเชื่อสารพระภูมิเชื่อผีเจ้าเข้าทรงพระภูมิเจ้าที่อะไรอย่างนี้จะอ้างตนว่าเป็นภิกษุสมเนรอุบาสกอุบาสิกานั้นดูเป็นการไม่สมควรเลยท่านอาจารย์มั่นทนว่าเราต้องการสอนคนให้เข้าถึงอริยสัจธรรม ถึงความเป็นอริยะบุคคลก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องย้าถึงความจริงข้อนี้ให้หนักที่สุดเพราะถ้าไม่เข้าใจถึงความจริงแห่งความเชื่อนี้แล้วจะเป็นการกั้นหนทางที่จะเข้าสู่ความจริงเป็นอริยเสียเราทุกคนก็พยายามอย่างยิ่งที่จะปรารถนาพระนิพพานแม้การบาเพ็ญการกุศลต่างๆก็กล่าวกันว่านิพพานปัจโยโหตุ ขอให้เป็นปัจจัยแห่งพระนิพพานเถิดแม้ว่าเราจะพึงทราบว่าผู้ใดผู้หนึ่งทรงความเป็นอริยบุคคลเราก็จะให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่งนี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าคุณธรรมอันสูงคือความเป็นอริยานี้เป็นยอดปรารถนาของบรรดาพุทธศาสนิ ก, กชนก็แต่ว่าเบื้องต้นในการดาเนินไปสู่ความเป็นอริยะนี้ จำเป็นจะต้องมองดูความจริงข้อนี้คือให้ถือเอาเราเป็นที่พึ่งอาศัยอันเป็นพระดำรัสของพระพุทธเจ้าท่านอาจารย์มัน่นท่านได้เน้นหนักในข้อที่ว่าต้องไม่ถือสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เพื่อเป็นการปูพื้นฐานในการปฏิบัติเพื่อความก้าวหน้าซึ่งท่านได้คานึงถึงความข้อนี้ว่า ต้องให้ผู้ที่จะดำเนินจิตตามเราเราจะต้องแนะนำให้เห็นจริงในข้อนี้เสียก่อนจึงจะสอบความจริงในขั้นต่อไปเป็นอันได้ความละเอียดแน่ชัดพร้อมความสว่างสวัยภายในของท่านในข้อความสามประการแห่งพระดำรัสของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือ 1. ให้ถือเราเป็นมูลเหตุ 2. ให้ถือเราเป็นเนติแบบฉบับ 3. ให้ถือเราเป็นที่พึ่งอาศัยเมื่อรุ่งเช้าวันนั้นเป็นวันขึ้น1ิบค่ำเดือน8ดเป็นวันปลอดโปร่งที่สุดแล้วท่านคงบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ตามปกติ อยู่มาวันหนึ่งท่านนั่งกำหนดพิจารณาความละเอียดอยู่ในถ้ำสิงโตนั้นได้ระลึกไปถึงท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณอุปมาจารณสุริจันโทจันณที่วัดบ ร, รมนิวาสกรุงเทพว่าท่านกำลังทำอะไรอยู่ที่วัดนั้นก็ปรากฏว่าท่านเจ้าคุณอุบาลีท่านกำลังนั่งสมาธิอยู่ที่สลาเหลืองบนธรร ม, มาทในเวลานั้นเป็นเวลาราวห้าทุ่มกว่านั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก และกำลังพิจารณาถึงปฏิจจสมุป <Thursday> บาทว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจใจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจใจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจใจัยให้เกิดภัษะภัษะเป็นปัจใจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจใจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจใจัยให้เกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพ พบเป็นปัจจัยให้เกิดชาติเมื่อเป็นชาติคือมีการเกิดก็ต้องมีชรามรณะโศกปริเทวะทุกขะโทมณสะอุปายาสะและการพลัดพร่าจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุมาจากความเกิดแก่เจ็บตายและเมื่อยังมีอวิชชาอยู่ตราบใดก็จะต้องมีเกิดแก่เจ็บตายอยู่ตราบนั้น ท่านเจคุณอุบาลีท่านก็ได้คำนึงถึงพระพุทธเจ้าที่ทรงพิจารณาถึงปฏิจจสมุปบาทว่าพระองค์ท่านได้ทวนกระแสกลับดูตัวอวิชชาท่านจึงได้เริ่มทวนกระแสว่าเพราะเหตุใดท่านจึงต้องแก่ตายโศกเศร้าเสียใจร้องให้ราพันขับแค้นแน่นใจเพราะความพลัดพรากจากของชอบใจพลาดหวังท่านได้พิจารณาถึงสิ่งเหล่านี้ เพราะได้เกิดมาเป็นอัตภาพแห่งมนุษย์จะต้องประสบความเป็นเช่นนี้ทุกคนอัตภาพคือความเกิดขึ้นมาจากอะไรก็มาจากภพคำว่าภพก็คือสัตว์ทั้งหลายที่พึงอาศัยอยู่ขณะนี้เรากำลังอาศัยอยู่ในภพซึ่งมันเป็นผลมาจากอะไรก็เป็นผลมาจากอุปาทานคือความเข้าไปยึดมั่นถือมั่น เพราะจิตเศร้าหมองติดพันอยู่กับสิ่งใดด้วยเหตุแห่งการยึดมั่นจิตก็จะไปก่อกำเนิดณที่นั้นเช่นบุคคลที่ทำจิตไปในทางฌานเพ่งอยู่ในความละเอียดคือไม่มีรูปก็จะไปเกิดในภพเป็นอรูปภพเพ่งอยู่ในความละเอียดในรูปก็จะไปเกิดในภพคือรูปภพและถ้าได้ฝึกจิตเป็นธรรมดาก็จะไปเกิดในกามภพ เช่นมนุษย์สัตว์เดรัจฉานเปรตนรกเป็นต้นสุดแล้วแต่จิตจะไปประวัติกับอะไรก็จะไปถือกำเนิดในสิ่งนั้นสุดแล้วแต่กรรมของตนที่จะประวัติเห็นดีไปท่านเจ้าคุณอุบาลีท่านก็พิจารณาไปก็ได้ถอยกลับมาจากที่ว่าก่อนอุปาทานนี้มาจากอะไรคือมาจากตัณหาคือความทะเยอะทะยาน อันความทเยอทยานนี้คือกามตัณหาความทะเยอทยานในกามคุณคือความใคร่ในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะหรือการถูกต้องสัมผัสทางกายเป็นต้นความทเยอทยานในภาวะคือความมีความเป็นต้องการอยากรูปสวยรวยทรัพต้องการอยากเป็นคุณหญิงคุณนายต้องการอยากมียศถาบรรดาศักดิ์ทเยอทยานในวิภวะ คือความไม่อยากมีไม่อยากเป็นคือไม่อยากมีความทุกข์ความอดอยากปากแห้งไม่อยากเสื่อมจากยศถาบรรดาศักดิ์ที่ตนกำลังเฟื่องฟูอยู่ความทเยียที่อานเหล่านี้ก็มาจากเวทนาคือความสวยทุกข์สวยสุขทุกข์ที่เกิดเป็นมีขึ้นมาแล้วและได้รับผลอยู่ทุกการเวลาแห่งความเกิดขึ้นได้รับอันเนื่องมาจากความได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศ เสื่อมยศขณะที่สวยทุกนั้นก็ต้องการแต่ความสุขเป็นต้นแต่ผลหาได้จากความสุขไม่ต้องมีทุกข์ด้วยความสวยสุขสวยทุกนี้เนื่องมาจากอายตนะคือมีตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะธรรมารมณ์เช่นมีตาไปเห็นรูป ก็เกิดความสุขทุกข์หูได้ยินเสียงจมูกได้ดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสใจกระทบอารมณ์เกิดความสุขทุกข์ก็นับเนื่องมาจากนามรูปเพราะนามกับรูปที่ก่อกำเนิดเกิดขึ้นมาเป็นคนคนเรานี้มีนามกับรูปจึงจะเป็นตัวขึ้นมาได้ ท่านเจ้คุณอุบาลีท่านได้พิจารณาถอยร่นปฏิจจสมุปบาทมาจนถึงรูปนามนี้แล้วท่านเกิดสงสัยว่าถอยจากรูปนามยังมีวิญญาณและสังขารและจึงขึ้นต้นด้วยอวิชชาและวิญญาณสังขาร น, นี้ก็มีแล้วในนามรูปเหตุไฉนจึงมามีสังขารและวิญญาณโดยเฉพาะของตัวมันอีกเมื่อท่านสงสัยแล้ว ก็ได้เลิกพิจารณาในวันนั้นอยู่มาวันหนึ่งท่านจ้คุณอุบาลีก็ได้มาเที่ยวที่เขาพระงามลบบุรีเพราะโดยปกติแล้วท่านจะไปที่นี่บ่อยๆซึ่งท่านชอบสถานที่นี้มากจนภายหลังท่านได้สร้างพระใหญ่หน้าตักกว้างถึงส2องวากว่าแล้ววันนั้นเป็นวันที่ท่านจ้คุณอุบาลีได้มาที่เขาพระงามตามปกติ ซึ่งขณะนั้นท่านอาจารย์มั่นก็ได้พักบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ณที่นั้นเหมือนกันเมื่อได้ทราบว่าท่านเจ้าขุนอุบาลีมาท่านก็ไปนมัสการและได้สนทนาปราศัยตามปกติเมื่อได้สนทนาเรื่องอื่นไปพอสมควรแล้วท่านอาจารย์มั่นก็ได้ถามขึ้นว่าเมื่อคืนวันที่สิบค่ำที่แล้วคือเดือน8ปดนั้นท่านเจ้าขุนนั่งสมาธิอยู่ที่ศาลาเหลือง อันหน้าไปทางทิศตะวันออกเวลาประมาณห้าทุ่มกว่าได้พิจารณาถึงปฏิจจสมุปบาททวนกลับไปกลับมาแล้วเกิดความสงสัยขึ้นมาตอนหนึ่งใช่ไหมครับท่านเจ้าคุณอุบาลีเมื่อได้ฟังคำถามเช่นนั้นถึงกับตกตะลึงไม่นึกเลยว่าท่านอาจารย์มั่นท่านจะมาล่วงรู้ถึงการพิจารณาของเราที่ได้พิจารณาด้วยตัวเองโดยไม่ได้บอกให้ใครรู้เลยท่านเจ้าคุณอุบาลี จึงพูดถามอาจารย์มั่นว่าก็ท่านอาจารย์ว่าอย่างไรเล่าที่ผมสงสัยอธิบายให้ผมฟังบ้างได้ไหมท่านอาจารย์มั่นจึงตอบว่าได้แล้วท่านก็ได้อธิบายถวายท่านเจ้าคุณอุบาลีว่าปฏิจจะสมุปบาทข้อที่ว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนั่นและในนามรูปก็มีทั้งวิญญาณและสังขาร ซึ่งมันจะมีการแตกต่างกันดังนี้คือสังขารวิญญาณที่ต่อจากอะวิชานั้นเรียกว่าสังขารกรรมวิญญาณกรรมแตกต่างกับสังขารวิญญาณของนามรูปสังขารวิญญาณของนามรูปนั้นเป็นสังขารวิญญาณวิบากเนื่องจากเป็นการปรุงแต่งที่สำเร็จรูปแล้วสังขารกรรมวิญญาณกรรม เป็นการปรุงแต่งที่กำลังทำอยู่คือว่าสังขารกรรมวิญญาณกรรมเป็นภาวะที่ไม่เป็นอิสระอยู่ภายใต้อำนาจของกรรมมีอวิชชาเป็นหางเรือใหญ่อาศัยสังขารการปรุงแต่งอาศัยวิญญาณความรู้สึกในขณะที่กำลังปรับปรุงพบอันจะเป็นแนวทางแห่งการก่อให้เกิดซึ่งในขณะนั้นจิตเป็นประธานอาศัยสังขารปรุงแต่ง สายวิญญาณความรู้สึกในขณะที่กำลังปรุงพบอันจะต้องตกอยู่ภายใต้อํานาจของสังขารกรรมวิญญาณกรรมทั้งสองนั้นสืบเนื่องมาจากจิตณที่นี้จึงแล้วแต่กรรมจะจําแนกไปคือให้สังขารและวิญญาณนี้เห็นดีไปเมื่อเห็นดีไปอย่างไรจิตก็จะไปตั้งก่อให้เกิดไปตามนั้นเพราะที่นี้จึงเป็นสถานที่กาลังปรุงแต่งพบ ถ้าพิจารณาแล้วจะรู้สึกมันละเอียดและจะพึงรู้จริงได้คือเมื่อจิตได้ดำเนินตามอริยสัจและเป็นวิปัสสนาแก่กล้าแล้วนั้นทีเดียวที่กระผมได้อธิบายมานี้เป็นสักแต่แนวทางเท่านั้นตามความเป็นจริงต้องมีตาภายในคือกระแสจิตกระแสธรรมเท่านั้นที่จะเข้าไปรู้จริงได้เมื่อท่านเจ้าคุณอุบาลีได้ฟังดังนั้น ก็ถึงกับอุทานขึ้นว่าอ๋อเราเข้าใจแล้วท่านอาจารย์รู้ใจผมได้ดีมากและถูกต้องทุกประการและแก่สงสัยให้ผมได้ราวกับปลิดทิ้งผมพยายามพิจารณาเรื่องนี้มานานแต่ยังไม่แจมแจ้งเพิ่งจะแจมแจ้งในเวลานี้เองหลังจากนั้นท่านเจ้าคุณอุบาลีก็ได้เดินทางกลับไปกรุงเทพอยู่ที่วัดบรมนิวาสนั้นท่านเจ้าคุณได้ประกาศความดีของท่านอาจารย์มัน ให้แก่พระภิกษุสัมมเนนทั้งหลายฟังว่าท่านอาจารย์มั่นเป็นอาจารย์กรรมฐานที่มีความสามารถมากที่สุดในยุคนี้ถ้าใครต้องการจะศึกษาธรรมะปฏิบัติแล้วจงไปศึกษากับท่านอาจารย์มั่นเถิดเธอทั้งหลายจะได้ความรู้จากธรรมะปฏิบัติอันลึกซึ้งจากท่านอาจารย์มั่นท่านเจ้าคุณอุบาลีได้กล่าวเช่นนี้กับพระภิกษุสงฆ์สัมเนนทั้งหลายอยู่เสมอเสมอทำให้พระภิกษุสัมเนนผู้ใกล้การปฏิบัติธรรม สนใจในท่านอาจารย์มั่นมากขึ้นต่างก็ต้องการจะไปศึกษาปฏิบัติธรรมกับท่านในปีนั้นเป็นพศสองสหท่านก็ได้รับการขอร้องจากท่านเจ้าคุณอุบาลีให้จำพรรษาที่กรุงเทพท่านได้เลือกอวัดสะปทุมเป็นที่จำพรรษาเพราะเป็นวัดที่สงบสงัดดีท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดสะปทุม ท่านก็พยายามมาที่วัดประโมน้วาทุกๆวันธรรมะสวนะฟังท่านจาคุณอุบาลีเทศพอหลังจากฟังเทศแล้วท่านจาคุณอุบาลีก็จะให้เขาไปหาท่านอยู่สองต่อสองและขอศึกษาธรรมะปฏิบัติกับท่านอาจารย์มั่นตลอดระยะเวลาพรรษาในตอนนี้ท่านอาจารย์มัน่นท่านเล่าว่าวัดสะปทุมมีอาจารย์สอนกรรมฐานอยู่องค์หนึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียงมาก ท่านสอนแบบอน า, าปานุสติคือให้ตั้งใจอยู่ที่ลมแล้วก็กาหนดตั้งไว้เช่นครั้งแรกให้ตั้งอยู่ที่กระหม่อมเมื่อดีแล้วก็ลดลงมาที่หน้าผากเมื่อดีแล้วก็ให้ตั้งอยู่ที่ปลายจมูกเมื่อดีแล้วก็ให้ตั้งอยู่ที่หน้าอกเมื่อดีแล้วก็ให้ตั้งอยู่ที่สะดือกาหนดลมพร้อมกับบริกรรมว่าพุทโธพุทโธให้นับพุทธหนึ่ถึงร้อย แล้วทวนกลับจากร้อยถึงหนึ่งทวนไปทวนมาท่านได้สังเกต ด, ดูคนบางคนได้รับความเย็นใจมากพอสมควรนับว่าเป็นทางที่ให้เกิดความสงบได้แต่ท่านเล่าว่ามันเป็นการเกินความจําเป็นที่จะกําหนดเช่นนั้นเพราะเมื่อเรามีความสงบแล้วก็ควรปล่อยแล้วรักษาแต่สติให้คงอยู่แต่เมื่อท่านสังเกต ด, ดูเหตุการณ์แล้ว ท่านก็ไม่ว่าหรือตำหนิอะไรในที่นั้นแม้เขาจะทําอยู่เช่นนั้นก็ไม่เห็นบาปกรรมอะไรเป็นกุศลแก่เขาอย่างมากมายอยู่แล้วเมื่อผู้ใดบําเพ็ญภาวนาก็เป็นเหตุเป็นบ่อกเกิดกุศลผลบุญอย่างที่บุคคลจะพึงกระทําได้ยากการที่ท่านเดินไปวัดบรมนิวาสทุกวันพระนั้น แม้เส้นทางจากวัดสะปทุมดูเหมือนจะไกลไม่ใช่น้อยแต่กลับเป็นใกล้เพราะขณะที่เดินไปท่านภาวนาไปด้วยในวันหนึ่งขณะที่ท่านกาลังเดินไปนั้นกาหนดจิตสงบลงปรากฏว่าเหมือนกับแผ่นดินยุบลงไปและดูไปทุกอย่างที่ไม่มีอะไรที่จะถือได้ว่าตัวตนเดินเหมือนกับชั่วอึดใจเดียวก็ถึงวัดบรมนิวาส ในวันนั้นเป็นเวลากลางวัขนขณะที่ท่านเดินออกจากวัดบรมนิวาสไปถึงถนนหลวงขณะที่กำลังเดินไปอยู่นั้นท่านเล่าว่าเวลาจิตกำลังดูดดื่มในอัถฐปฏิบัติมากทั้งเดินไปทั้งเจริญอสุภะกรรมฐานไปเรื่อยขณะนั้นได้มองเห็นผู้หญิงแขกคนหนึ่งกำลังเดินอยู่ข้างหน้าประเดี๋ยวเดียวผู้หญิงแขกคนนั้นปรากฏว่ามีร่างกายอ้วนขึ้นทุกที นึกแปลกใจว่าทําไมจึงเป็นเช่นนั้นแต่ก็ได้มองดูไปเรื่อยๆหนักเข้ามันไม่ใช่อ้วนเสีแล้วนั่นคือทั้งตัวกําลังพองเน่าขึ้นอืดอันจะให้เป็นของน่าเกลียดนั่นเองพอมันขึ้นเต็มที่ของมันแล้วก็เปื่อยเน่ามีน้ําเลือดและน้ําหนองไหลยเยิ้มไปทั้งตัวแล้วก็มีพวกหมูนอนชอนชัยและมแมลงวันไ ต, ต่ตอมไปมาน่าเกลียดจริงๆในที่สุดเลือดเนื้อและหนังเอง็น ก็ได้เปลือยเน่าย่อยยับไปหมดเหลือแต่โครงกระดูกติดต่อกันไว้เท่านั้นแล้วก็ได้เห็นโครงกระดูกนั้นเดินไปได้จะปรากฏเป็นชายหรือหญิงก็หาไม่จึงให้เกิดความอัศจรรย์เป็นอย่างมากทั้งนี้ก็เพราะท่านไม่ได้ตั้งใจที่จะพิจารณาให้ร่างกายนั้นเป็นอสุภะอะไรเพียงลืมตามองดูธรรมดาธรรมดาเท่านั้นแต่มันก็สามารถเป็นไปได้ จึงนึกถึงประวัติของพระเทระองค์หนึ่งในครั้งพุทธกาลในยะว่าท่านกาหนดเอากายาคตาสติเป็นอารมณ์เหมือนกันวันหนึ่งขณะที่ท่านกําลังเดินอยู่นั้นสายมีภรรยาคู่หนึ่งเกิดทะเลาะ ก, กันฝ่ายภรรยาก็หลบหน้าสามีไปได้เดินทางผ่านมาพบกับพระเทระองค์นั้นเข้าเบื้องต้นหญิงคนนั้นก็ได้แสดงอาการยิ้มย้มไปบ้างพระเทระ เมื่อมองไปเห็นฟันของหญิงคนนั้นเข้าแล้วก็ได้ปรากฏเห็นเป็นร่างกระดูกไปทั้งตัวแล้วก็เห็นเป็นร่างกระดูกเดินได้จึงไม่ได้รู้จักว่าคนคนนั้นเป็นหญิงหรือชายครั้นเมื่อสามีเขาตามมาพบพระเทระและถามท่านว่าได้พบผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านมาทางนี้หรือไม่ท่านจึงบอกไปว่าได้เห็นแต่ร่างกระดูกร่างหนึ่งเดินผ่านไป แต่ไม่ทราบว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายตั้งแต่วันนั้นต่อมาท่านจึงได้รู้เรื่องว่าการเจริญอสุภะเมื่อเป็นไปแก่กล้าแล้วสามารถเห็นเป็นอสุภะไปได้ทั้งนอกและในจึงได้หมดความสงสัยในเรื่องนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาท่านอาจารย์มัณฑลอยฟังว่าตามข้างทางจากวัดบรมนิวาสไปวัดสระปุมในสมัยนั้น เป็นทุ่งนาบ้างเป็นสวนบ้างแม้แต่ที่วัดบรมนิวาสเองก็มีแต่น้หวายเกิดอยู่เต็มบริเวณในปีพศ2458หหลังจากท่านอาจารย์มั่นได้จำพรรษาที่กรุงเทพในปีนั้นแล้วท่านก็พิจารณาภายในพรรานั้นว่าเราควรจะได้แนะนำสั่งสอนธรรมปฏิบัติที่เราได้รู้ได้เห็นมาซึ่งเป็นธรรมะที่ยากนักจะรู้ได้ เราอุตสาห์พยายามมาเป็นเวลานับสิบสิบปีควรจะได้แนะนำบรรดาผู้ที่ควรแก่การปฏิบัติให้ได้รู้และจะได้แนะนำกันต่อๆไปรั้นเมื่อออกพรรษาแล้วท่านก็ได้ลาท่านเจ้าขุนอุบาลีกลับไปจังหวัดอุบลจำพรรษาที่วัดบุรพาในปีพศ2458นั้นท่านมีพรรษาได้25พรรษ า, าขณะที่ท่านจาพรรษาอยู่นั้น ท่านก็พิจารนาว่าใครหนอจะเป็นผู้ควรแก่การสั่งสอนในขณะนั้นท่านอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมเป็นครูสอนนักเรียนอยู่เหมือนกับครูอื่นๆเป็นครูที่สอนวิชาสามัญแก่นักเรียนเป็นเวลาหลายปีมาแล้วท่านอาจารย์สิงห์ท่านได้ยินกิตติศัพท์ว่าท่านอาจารย์มั่นเป็นพระนักปฏิบัติที่เคร่งครัดมาก ก็ใครที่จะได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติในวันหนึ่งหลังจากเลิกสอนนักเรียนแล้วท่านก็ได้ไปนมัสการท่านอาจารย์มั่นที่วัดบุรพาเวลานั้นเป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วเมื่อเข้าไปเห็นท่านอาจารย์มั่นกำลังเดินจงกรมอยู่ท่านก็รออยู่ครู่ใหญ่จนท่านอาจารย์เลิกจากการเดินจงกรมเหลือไปเห็นท่านอาจารย์สิงซึ่งนั่งอยู่ที่โคนต้นมะม่วง ท่านจึงได้เรียกและพาขึ้นไปบนคุติหลังจากท่านอาจารย์สิงกราบแล้วท่านอาจารย์มั่นก็ได้พูดขึ้นว่าเราได้รอเธอมานานแล้วที่อยากจะพบและต้องการชักชวนให้ปฏิบัติธรรมด้วยกันเมื่อได้ยินเช่นนั้นท่านอาจารย์สิงถึงกับตกตะลึงเพราะท่านได้ทราบจิตใจของท่านอาจารย์สิงมาก่อนเนื่องจากท่านอาจารย์ได้ตั้งใจมาหลายเพลาแล้วที่จะขอมาพบกับท่าน เพื่อฝากตัวเป็นสิทธิ์ปฏิบัติธรรมด้วยพอท่านอาจารย์สิงห์ได้ฟังเช่นนั้นก็รีบตอบท่านไปว่ากระผมอยากจะปฏิบัติธรรมกับท่านมานานแล้วกล่าวจบท่านอาจารย์มั่นจึงได้อธิบายให้ฟังว่าการบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์นั้นจะต้องปฏิบัติก ร, รมมัฐานคือพิจารณาตจาปัญจกะกรรมฐานเป็นเบื้องแรกเพราะเป็นหนทางพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริง ระบรมสสะดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสรู้ธรรมด้วยการปฏิบัติอริยสัจธรรมสี่คือทุกข์สมุทยัยนิโรธมรรคเมื่ออธิบายไปพอสมควรท่านก็แนะนำวิธีนั่งสมาธิท่านอาจารย์มั่นเป็นผู้นำนั่งสมาธิในตอนนั้นเป็นเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงท่านอาจารย์สิงห์ก็เกิดความสงบแล้ว จิตสว่างสวัยขึ้นทันทีเป็นการอัศจรรย์ยิ่งภายหลังจากนั่งสมาธิเสร็จแล้วท่านอาจารย์มั่นก็ได้อธิบายถึงวิธีพิจารณากายโดยใช้กระแสจิตพิจารณาจนเป็นที่พอใจแล้วท่านอาจารย์สิงห์ก็ได้ลากลับไปจากนั้นมาท่านก็พยายามนั่งสมาธิทุกวันจนเกิดความเย็ยนใจเกิดขึ้นเป็นลาดับ อยู่มาวันหนึ่งท่านอาจารย์สิงห์ก็ไปสอนนักเรียนตามปกติซึ่งเด็กนักเรียนในสมัยนั้นเรียนรวมกันทั้งชายและหญิงและอายุการเรียนก็มากต้องเรียนถึงอายุ18ปีเป็นการบังคับให้เรียนจบป .4 ขณะที่ท่านกำลังสอนนักเรียนมองอยู่เด็กนักเรียนเห็นแต่โครงกระดูกนั่งอยู่เต็มห้องไปหมดไม่มีนางหุ้มอยู่เลยสักคนเดียว จำนวนนักเรียนประมาณ38คนได้มองเห็นเช่นนั้นไปหมดทุกคนเลยแม้ท่านจะพยายามขยี้ตาดูก็เห็นเป็นเช่นนั้นที่สุดก็เกิดความสังเวชใจขึ้นแก่ท่านเป็นอย่างมากแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายต่อสังขารเป็นอย่างยิ่งจึงนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์นักเพราะธรรมดาปฏิภาคนิมิตต้องเกิดในขณะหลับตาอยู่ในฌานจริ ง, รงแต่ท่านกลับเห็นทั้งหลับตาและลืมตา อาการที่ท่านเห็นเป็นอยู่เช่นนั้นเป็นเวลานานจนนักเรียนพากันสงสัยว่าทำไมครูจึงนั่งนิ่งอยู่เช่นนั้นทุกคนเงียบกริบเวลาได้ล่วงไปนานโขที่เดียวตาของท่านจึงค่อยปรากฏเห็นร่างของเด็กนักเรียนในชั้นเหล่านั้นมีเนื้อหนังขึ้นจนปรากฏเป็นปกติหลังจากนั้นท่านก็ได้พูดกับเด็กนักเรียนทั้งหลายเป็นการอำลาว่านักเรียนทุกคน บัดนี้ครูจะได้ขอลาออกจากความเป็นครูตั้งแต่บัดนี้แล้วเนื่องจากครูได้เกิดความรู้ในพระพุทธศาสนาได้เห็นความจริงเสียแล้วเมื่อได้ร่ำลาสิทธิ์ของท่านเสร็จท่านก็จัดกรดอัฏฐบริคารของพระธุดงออกจากวัดเดิมที่ท่านอยู่ติดตามท่านอาจารย์มั่นไปทุกคหนทุกแห่งเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมให้ยิ่งจนกระทั่งได้เห็นอัฏ ธ, ธรรมที่ควรรู้ควรเห็น ในปีนี้เองท่านอาจารย์มัน่นท่านได้คิดถึงพระกรรมวาจาาจารย์ของท่านคือพระครูศีธาชยะเสโนเพราะหลังจากท่านได้พบกับความจรงิงแห่งการปฏิบัติแล้วนั้นท่านใครจะให้อาจารย์ของท่านได้รับแสงสว่างแห่งธรรมนี้บ้างในวันหนึ่งท่านจึงได้เข้าไปนมัสการที่วัดและพูดขอโอกาสที่จะเล่าความจรงิงแห่งการปฏิบัติธรรมถวาย เมื่อท่านพระครูให้โอกาสท่านเล่าถวายแล้วท่านอาจารย์มั่นจึงได้เริ่มเล่าความจริงที่ท่านได้ประสบมาในขณะที่ท่านบําเพ็ญกรรมฐ า, านอยู่ที่ถ้ำไผ่ขวางน้ําตกสาวิกานนั้นว่าการปฏิบัตินี้เป็นทางที่จะเป็นทางพาให้พ้นทุกข์คือมรรคแมรรคแข้อต้นนั้นได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นชอบเห็นอะไร เห็นอริยาาสัจสีอริยสัจสีคืออะไรคือทุกสมุ ท, ทยัยนิโรธมรรคมรรคคือมรรคฉะนั้นเมื่อปฏิบัติสัมมาทิฏฐิข้อเดียวจึงเท่ากับปฏิบัติทั้งหมด8ข้อทุกคืออะไรคือความเกิดแก่เจ็บตายใครคือผู้เกิดผู้ตาย ร่างกายของเรานี้ฉะนั้นร่างกายของเรานี้จึงเป็นตัวทุกข์เพราะจิตเข้าไปยึดมั่นการบําเพ็ญจิตให้สงบจนเกิดกําลังแล้วก็ไม่ควรที่จะทําความสงบอย่างเดียวเพราะถ้าทำแต่ความสงบไม่พิจารณาทุกขสัจจะก็จะเป็นเฉพาะฌานก็จะเป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิผิดไม่พ้นทุกข์ ต้องพิจารณาทุกข์จึงจะพ้นทุกข์คือต้องใช้กระแสจิตที่เป็นกำลังอันเกิดจากความสงบนั้นมาพิจารณาเพราะกระแสจิตนี้ได้รับการอบรมจากสมาธิแล้วเป็นกำลังมหาศาลซึ่งไม่ควรนำไปใช้ทางอื่นเสียควรใช้พิจารณาตัวทุกขคือร่างกายนี้ให้เห็นชัดเจนจนกระทั่งเกิดนิพพิทายานความเบื่อหน่าย เจริญให้มากกระทำให้มากให้ยานเกิดขึ้นจนกว่าจะแก่รอบเมื่อท่านพระครูได้ฟังแล้วท่านก็เกิดความเลื่อมใสว่าธรรมะเช่นนี้แม้เราที่ได้เรียนมาแล้วแต่ไม่เข้าใจเพราะปริยัตินั้นเพียงแต่เรียนพอเข้าใจแต่ไม่รู้วิธีการที่ใช้คราวนี้รู้วิธีการที่จะทำอะไรกับสิ่งนั้นแล้ว เอาละเราขอขอบใจเธอมากท่านอาจารย์มั่นเมื่อได้สนทนากับท่านอาจารย์ของท่านพอสมควรแล้วก็ลากลับไปเมื่อท่านพระครูได้บำเพ็ญกรรมฐานตามแนวของท่านอาจารย์มั่นมาเป็นเวลานานครั้งแล้ววันหนึ่งก็เกิดความอัศจรรย์ขึ้นซึ่งสามารถพิจารณาเห็นกายและเกิดนิพพิทายานความเบื่อหน่าย และสามารถทวนกระแสจิตเห็นตัวผู้รู้ผู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วสิ้นกังขาความสงสัยในใจซึ่งสัตว์ถูกศาสนาจึงได้ให้พระไปนิมนต์พระอาจารย์มั่นมาพบและเล่าให้ฟังท่านอาจารย์มั่นก็ว่าทำถูกแล้วต่อไปนี้ก็ขอให้เจริญให้มากเมื่อพอเพียงแก่ความต้องการแล้วก็จะพึงรู้เองเมื่อท่านพระครูได้ให้ท่านอาจารย์มั่น ได้รู้เห็นเป็นพยานในการเห็นธรรมในการนั้นแล้วท่านได้รำพึงว่าสิทธิ์ของเราองค์ น, นี้นับว่าเป็นผู้มีความกตันยูกะตะเวทีมากเหลือเกินเพราะเมื่อได้รู้ได้เห็นธรรมะอันแท้จริงแล้วก็มิลืมครูบาอาจารย์อุตส่าหมาแนะนําให้เราได้รู้ได้เห็นและเป็นการถูกต้องแม้เราเป็นพระผู้เท่าเป็นถึงอาจารย์ถ้าจะพึงมัวถือแต่มานาทิฏฐิก็คงไม่สามารถฟังธรรมจากสิทธิ ที่มีความสามารถในธรรมได้แต่ก็ที่มีสิทธิ์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิได้เป็นประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากอันว่าสิทธินั้นถ้าดีผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ก็พลอยได้รับเกียรติและชื่อเสียงตามไปด้วยนี้ก็เป็นเช่นนั้นธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธรรมะโดยทั่วไปสุดแล้วแต่ผู้ใดจะมีความสามารถเมื่อผู้มีความสามารถมาก ก็แนะนำบอกกล่าวแก่ผู้มีความสามารถน้อยก็จะทำให้ศัตุสัสนากว้างขวางออกไปมิใช่ว่าใครจะว่าเราใหญ่เราโตเป็นอาจารย์เป็นอุปชาเรามียศถาบรรดาศักดิ์แล้วนำเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเครื่องกิดขวางการที่จะศึกษาหาธรรมะอันยิ่งให้ตนนี่เป็นทางเสื่อมเสียแก่ตนและผู้อื่นอย่างใหญ่หลวงแต่เราเองมิได้คิดเช่นนั้น เราได้ตั้งหน้าตั้งตาบําเพ็ญสมณธรรมตามที่สิทธิ์ของเราแนะนำให้จนเกิดผลแล้วเราเองบัด น, นี้ก็จะสามารถสอนใครต่อใครให้ดำเนินตามแนวนี้อันเป็นทางถูกต้องแก้ความสงสัยได้ขณะนั้นท่านอาจารย์มั่นท่านเห็นท่านพระครูนั่งนิ่งเฉยอยู่นานท่านก็เลยอำลากลับและในปีนั้นเองท่านก็ได้พบโยมมาดาของท่าน ซึ่งท่านได้ตั้งใจไว้ว่าท่านจะโปรโดโยมด้วยธรรมะทั้งหลายที่รู้มาแล้วท่านจึงเดินทางไปพบกับโยมที่บ้านตำบลบ้านบงอำเภอโค้งเจียมจังหวัดอุบลเมื่อโยมได้เห็นท่านก็มีความดีอกดีใจมากเพราะท่านได้จากไปเส้นานเมื่อท่านได้ปราศัยเล่าถึงการเดินธุดงทั้งในและต่างประเทศตลอดจนไดแสงสว่างแห่งธรรม ให้แกโยมฟังจนเป็นที่พอใจแล้วท่านก็ย้อนมาพูดถึงการปฏิบัติโดยขอร้องให้โยมพยายามปฏิบัติจิตอันเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์ทางโยมมารดาก็ตกลงที่จะปฏิบัติตามที่ได้แนะให้นับแต่ที่ท่านอาจารย์มั่นได้แนะนำให้แล้วโยมมารดาก็ได้มีความสนใจเป็นกรณีพิเศษได้ทำตามคำแนะนำทุกประการ และจิตก็เป็นไปได้ตามจริงที่เกิดขึ้นได้รับความเย็นใจมีศรัทธาแก่กล้าลาลูกหลานออกบวชเป็นชีโดยมีท่านอาจารย์สาวบวชให้ท่านอาจารย์มั่นทนเล่าว่าโยมมีความเพียรมากแม้ว่าจะแก่แล้วก็ตามอธิษฐานนอนตะแคงข้างขวาตลอดชีวิตมีการเดินทุดงไปในที่กันดารเช่นเดียวกับพระสงฆ์ รับประทานอาหารเพียงมื้อเดียวตลอดชีวิตมีความเพียรมั่นคงไม่ท้อถอยแม้แต่ท่านอาจารย์มั่นเองก็ชมว่ามารดาของท่านมีความเพียรแก่กล้าหลังจากที่โยมได้บำเพ็ญกรรมฐานตามคำแนะนำของท่านอาจารย์มั่นมาหลายปีท่านอาจารย์มั่นก็ทราบว่าอินทรีย์ของการอบรมจิตได้แก่กล้าแล้วท่านได้แนะนาวิธีสุดท้ายคือ การบำเพ็ญวิปัสนาญาณให้เกิดความแก่รอบของญาณโดยอุบายซึ่งท่านได้ยกตัวอย่างของปัญจะวัคคีย์ทั้งห้าเมื่ออินทรีแก่กล้าแล้วพระพุทธองค์ได้ทรงให้ปัญจะวะัคคีย์พิจารณารูปเวทนาเป็นต้นโดยปัญญาตามความเป็นจริงปัญญาในที่นี้ได้แก่ญาณคือความรู้อันเกิดจากกระแสธรรมอันยิ่ง โยมมารดาของท่านได้รับการอบรมมากแล้วก็พิจารณาตามนั้นจนเป็นที่พอแก่ความต้องการโดยการเจริญให้มากกระทําให้มากมีความรู้ความสามารถทวนกระแสจิตเข้าถึงทิติภูตังและเจริญต่อไปจนเป็นการพอโดยการอบรมเป็นอินทรีย์บังเกิดความรู้จาแจ้งตัดความสงสัยแล้วโดยสิ้นเชิงและได้ออกอุทานต่อหน้าพระอาจารย์มั่นว่า เราหายสงสัยแล้วเราจะไม่มาเกิดอีกแล้วจึงนับว่าเป็นที่พอใจของท่านอาจารย์มั่นเป็นอย่างยิ่งแล้วท่านอาจารย์มั่นก็ได้บอกแก่โยมมารดาของท่านว่าบัดนี้อัตมาภาพได้ทดแทนบุญคุณของคุณโยมหมดแล้วเป็นการทดแทนที่ได้สิ้นสุดลงเป็นการสุดท้ายจากนั้นท่านอาจารย์มัน่นท่านได้พยากรมารดาของท่านกับพระบังองค์ว่ามารดาของท่าน ได้เป็นอริยบุคคลชั้นที่สคือเป็นอนาคามีเรื่องนี้เป็นคำบอกเล่าของท่านอาจารย์กงมาจิราปุญโยหลังจากนั้นเมื่อสังขารของโยมแก่งอมแล้วความชราเข้าครอบงำลูกหลานขอให้รับประทานอาหารในตอนเย็นก็ไม่ยอมโยมมารดาของท่านพูดว่าเราต้องมีมรรคแดเป็นวิรัตตลอดชีวิตของเรา เมื่อถึงการที่โยมมาดาของท่านจะสิ้นชีวิตท่านก็ได้บอกถึงวันเดือนปีเวลาบ่ายสามโมงเย็นว่าจะถึงแก่กรรมเมื่อถึงการนั้นก็ได้ถึงแก่กรรมตามที่พูดไว้ด้วยความสงบจริงๆในตอนสุดท้ายเมื่อท่านอาจารย์มั่นได้ทราบวันเวลาแล้วท่านก็ได้ไปทำชาปนกิจศพมาดาของท่านด้วยตัวท่านเอง ส่วนท่านอาจารย์สิงห์คันตยาขโมซึ่งได้พำนักอยู่ที่วัดสุทธัศนารามในเมืองอุบลราชธานีได้ออกจากการเป็นครูแล้วรอบผลแห่งการปฏิบัติธรรมที่ได้รับการแนะนําจากท่านอาจารย์มั่นซึ่งปรากฏว่าได้รับผลเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งในระหว่างเดือนเดียวกันนั้นพระปิ่นปัญญาพโลผู้เป็นน้องชายของท่านก็พลอยได้ไปศึกษาด้วย และได้เกิดความเลื่อมใสในอุบายทางด้านการปฏิบัติพอสมควรท่านอาจารย์สิงห์ได้ตกลงใจอย่างแน่วแน่ในการเปลี่ยนจากพระปริยัตเป็นพระธุดงเพื่อติดตามท่านอาจารย์มั่นต่อไปส่วนพระปิ่นผู้เป็นน้องชายขอลาไปศึกษาต่อที่กรุงเทพโดยปฏิญาณว่าจะขอศึกษาสักห6ปีแล้วจึงจะออกปฏิบัติตามภายหลัง เมื่อท่านภักศึกษาอยู่ที่วัดบวรนิเวศรกกำหนดหปีและสอบได้ป ร, ริยนห้าประโยคแล้วก็ได้ออกไปปฏิบัติตามคำปาฏิยานของท่านจริงๆโดยติดตามท่านอาจารย์ไปทุกคนทุกแห่งตามป่าเขาอันเป็นสถานที่วิเวกในสมัยนั้นพระป ร, ริยนที่ออกเที่ยววิเวกทุดงกรรมฐานท่านนับว่าเป็นองค์แรกซึ่งแต่การก่อนนานมาแล้วไม่เคยมีปรากฏเลย นับเป็นสุภาพนิมิตที่ดีอย่างยิ่งเมื่อท่านออกทุดงคราวนี้ท่านก็ได้นามว่าพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพะโลขณะนั้นท่านมีอายุ30สปีพรรษาที่8ในคราวเดียวกันกับที่ท่านออกทุดงในคราวนั้นมีพระที่ออกทุดงไปเพื่อจะศึกษากับท่านอาจารย์มั่นด้วยกันสามองค์เท่านั้นคือหนึ่งพระอาจารย์คำพวย2 พระอาจารย์เทศเทศะรังสี 3. พระอาจารย์ทรบ้านหัววัวอำเภอลุมพุกจังหวัดอุบล